พระบัญญัติเจรดก็ภิกษุณีเมื่อจะขอผ้าห่งบางพึงขอได้เพียงราคาสองกังสารึ่งเป็นอย่างมากถ้าขอเกินกว่านั้นต้องรอบาบันฑิสกียาปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ